เด็กชายอายุ8ขวบผู้ซึ่งเป็นดรอกเตอร์กริดกลับชาติมาเกิดได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางไปยังบ้านหญิงสองร่างนางสองชาติกับท่านพระครูและนายวิโก้ด้วยเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงต้องการให้เพื่อนของท่านได้เรียนรู้อย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งแม้ว่าเขาจะมีความรู้ถึงระดับปริญญาเอกติดตัวมาจากชาติที่แล้ว หากก็เป็นความรู้ในทางโลกซึ่งไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เขาจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมปัญญาหาความรู้ในทางธรรมที่จะนำไปสู่ความสูญสิ้นไปแห่งทุกข์เช่นที่นายวิกโก้ทำได้แล้วและท่านก็หมดห่วงในลูกศิษย์ต่างชาติผู้นี้เพราะถึงอย่างไรเขาก็จะเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาคร อีกไม่เกินเจ็ดชาติท่านปรารถนาจะให้ด็อกเตอร์กริทำได้อย่างนั้นบ้างนายหลอ่อผู้ซึ่งเคารพนับถือท่านพระครูไม่เสื่อมคลายด้วยว่าเคยผจนกับความเป็นความตายมาด้วยกันได้ขับรถไปส่งท่านและคณะจนสุดถนนคือไม่มีถนนที่จะให้รถวิ่งอีกต่อไป เส้นทางที่เหลือเป็นทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาบรรพชิตหนึ่งรูป ก, กับขราชกาสองคนจะต้องเดินตัดทุ่งไปอีกห้าถึงหกชั่วโมงจึงจะถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านนายปุ่นข้าหะบดีผู้เป็นสามีของนางสะอิงขอบใจเองมากนะหล่อที่ช่วยมาส่งไม่เช่นนั้น คงทุลักษ์ทุเลน่าดูคงไม่ใช่น่าดูหรอกครับหลวงพี่ถ้าทุลักษ์ทุเลผมว่าไม่น่าดูมากกว่านายหล่อยังติดนิสัยยวนแม้วัยใกล้จะสี่สิบเอาละ่ะเอาละ่ะจะน่าดูหรือไม่น่าดูข้าก็ขอบใจเองแล้วมารับไหมนี่มาสิครับว่าแต่ว่า ลุงพี่จะกลับเมื่อไหร่ผมจะได้มาจอดรถรอตรงนี้มารืนเป็นยังไงค้างสักสองคืนพอไหมท่านถามนายวิกโก้คิดว่าพอครับแต่ถ้าไม่พอลุงพ่อกับด็อกเตอร์กริดกลับก่อนก็ได้ผมจะหาทางกลับเองในภายหลังหนุ่มจากต่างแดนตอบอย่างเกรงใจ ไม่ได้หรอกวิกโก้จะทำอย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่อไม่อนุญาตนั่นสิมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันถึงจะไม่ใช่เลือสุพนธ์ก็ไม่เป็นไรนายหลอ่อพูดติดตลกท่านพระครูเห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยจึงกำหนดเห็นหนอแล้วตอบนายหล่อว่ามารืน เองมารอที่นี่ก่อนค่ำพวกข้าจะมาถึงตรงนี้ก่อนหกโมงเย็นครับผมจะมารอก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงเผื่อหลวงพี่มาถึงก่อนเวลานัดตกลงแล้วอย่าลืมมาตามนัดก็แล้วกันเอาละ่ะเองกลับไปได้แล้วเดี๋ยวโยมประยงเขาจะเป็นห่วงขับรถดีๆละ่ะครับ ผมต้องขับดีแน่เข็ดแล้วไม่อยากซื้อรถไปทิ้งเหวอีกเขาบอกรถคันนั้นยังอยู่ในเหวเขตอำเภอแม่สอดมาจนบัดนี้เอาละเอาละอย่ามัวพูดมากจะกลับก็กลับได้แล้วท่านพระครูตัดบทนายหล่อจึงยกมือขึ้นนมัสการลานายวิโก้ไหว้พร้อมกล่าวขอบคุณเขา ส่วนด็อกเตอร์กริดกำลังคิดว่าจะไหวหรือไม่ไหวดีแต่แล้วก็ตัดสินใจไหวเมื่อคิดได้ว่าในชาตินี้ขณะนี้เขาคือเด็กชายอายุแปดขวบแม้ว่าชาติที่แล้วจะเป็นด็อกเตอร์กริดเพื่อนของท่านพระครูก็ตามนายหลอกกลับไปแล้วท่านพระครูและคณะจึงพากันเดินทางต่อไปลาบากหน่อยนะ หนูทนได้หรือเปล่าท่านถามเด็กชายได้ครับท่านถึงชาตินี้ผมจะไม่เคยลำบากแต่ชาติที่แล้วผมลำบากมามากจึงพยายามคิดว่าผมคือเด็กชายกฤิลูกชาวนาเด็กน้อยตอบแล้ววิโกโกล้ล่ะเคยลำบากอย่างนี้ไหมท่านถามสิทธผู้มาจากต่างแดน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 หลวงพ่อมั่นใจว่างานวิจัยของวิโก้จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเท่ากับวิโก้ได้ช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระธรรมคำสอนผู้ที่ช่วยงานพระพุทธเจ้าจักเป็นผู้มีความจำเริญและอายุยืนอย่างเช่นพระอานนท่านมีอายุยืนถึงร2 0ยี่ิบปี หากว่าผมอายุยืนก็จะช่วยงานพระาศาสนาต่อไปอีกนานๆเพราะผมได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะอุทิศชีวิตให้กับงานพระาศาสนาแม้จะเป็นครือขัดก็ทำได้ไม่จาเป็นต้องบวชใช่ไหมครับถูกแล้วพวกที่บวชเสีย อ, อีกที่ทำไม่ได้อย่างวิกโกเรียกว่าบวชให้เปลืองเข้าสุขชาวบ้าน ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรบางคนก็มาทำให้พระาศาสนาต้องมัวหมองเข้าตำรามาบวชก็เสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลายท่านนึกไปถึงนายทหารที่ชื่อกอบบุญลูกชายคุณนายสายบวัวคนผู้นั้นแม้หากว่าอายุยืนก็ไม่ได้ทำประโยชน์อันใดแก่ชาติและาศาสนา หรือแม้แต่กับตัวเองเพราะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีเวลาก่อกรรมทําชั่วมากขึ้นช่างน่าสมเพชแท้ๆขณะที่ท่านพระครูเดินคุยกับนายวิกโก้เด็กชายวัยแปดขวบฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเขาต้องการอบรมปัญญาเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของชีวิต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 ท่านพระครูและคณะมาถึงบ้านนายปุ่นเมื่อตอนพลบค่านางทองดาพันยาใหม่วัยใกล้เจ็ดสิบของนายปุ่นจําท่านพระครูได้เพราะเคยพบท่านสองครั้งครั้งแรกที่วัดป่ามะม่วงในคราวที่ไปสร้างกุฏิกรรมฐานครั้งที่สองท่านเดินทางมาที่นี่เมื่อนางเสิ่งอายุครบยี่สิบปีและตายจากไปในวันที่ท่านมาถึง กลับจากวัดคราวนั้นนายปุ่นก็ล้มป่วยเป็นอมภาตให้นางสอิ้งปรนิบัติอยู่ถึงห้าปีกระทั่งหล่อนตายจากไปเมื่ออายุครบ2ี่พอดิบพอดีเป็นอันว่านางสอิ้งตายก่อนนายปุ่นทั้งสองชาตินิมนต์จ้ะนางทองดำเชื้อเชิญภิกษุอาคันตุกะท่านพระครูแนะนำนายวิกโก้ และเด็กชายให้รู้จักกับพัญญาเจ้าของบ้านคนทั้งสองยกมือไหว้อย่างนอบน้อมโยมปุ่นเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงคนป่วยบรรดา ล, ลูกหลานพากันหาเสือมาปูให้ภิกษุอาคันตุกะนั่งพร้อมทั้งหาน้ำดื่มมาถวายก็ทรงทรงสุดๆุดอยู่อย่างนั้นแหลจะจ้ะหญิงตอนแม่เสออหิงตาย ก็สุดหนักลงไปอีกเขาคงรักกันมากน้ำเสียงบ่งบอกว่าหึงท่านพระครูรู้ใจจึงพูดปลอบว่าเขามีเวรมีกรรมต่อกันนายโยมอย่าคิดมากไปเลยถึงโยมเองก็ต้องเคยร่วมทำกรรมมากับโยมปุนไม่เช่นนั้นก็คงไม่ได้มาอยู่ด้วยกัน จริงไหมก็คงจะจริงละกระมังแต่ฉันอธิษฐานใจไว้แล้วว่าขอให้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้จาหน้าขออย่าได้พบได้เจอกันอีกพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าสามีรักเมียเก่ามากกว่าตนอาตมาจะขอเข้าไปเยี่ยมโยมปุ่นได้ไหม ท่านพระครูเปลี่ยนเรื่องพูดได้จะ้ะนิมนต์ในห้องเลยจะ้ะไอมิ่งช่วยพาท่านไปหาปู่เองหน่อยนางบอกหลานชายวัยรุ่นที่เดินขึ้นบันไดมาพอดีหลวงพ่อไปกับไอมิ่งนะจะ๊ะส่วนฉันจะไปจัดเตรียมที่นอนหมอนมุง้งนางบอกท่านพระครู แล้วจึงสั่งลูกสาวกับลูกสะใภ้ให้จัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งสำหรับพระภิกษุหนึ่งรูปกับครหัด ส, สองคนโยมปุณอาตมามาเยี่ยมจำอาตมาได้หรือเปล่าที่มาเยี่ยมโยมเมื่อสามเดือนก่อน ท่านพูดกับบุรุษวัยแปดสิบที่นอนแบบอยู่บนเตียงกลิ่นปัสสาวะคละคลุ้งตลบห้องท่านสมพันวัดป่ามะม่วงหรือครับน้ำมัตสการเขาพยายามยกมือทั้งสองขึ้นประนมอย่างยากเย็นด้วยว่ามัญชาจนเกือบจะหมดความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ท่านพระครูถามอีกแย่ครับแย่กว่าตอนที่แม่สะอิ่งเขายังอยู่พอเขาตายแม่ทองดำก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลพ่มเท่าที่ควรปล่อยให้นอนแช่อุจจระปัสวะเป็นวันๆพวกลูกลูกหลานก็เอาเรื่องไม่ค่อยจะได้นี่ทาแม่สะอิ่งยังอยู่พมคงไม่สุดเท่านี้ ผมคิดถึงเขาเหลือเกินครับท่านสมพานบุรุษวัยแปดสิบรำพึงรำพันตัดอกตัดใจเสียเถอโยมยังไงยังไงเขาก็ไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจคนตายให้สนใจคนที่ยังอยู่ดีกว่าท่านหมายถึงนางทองดำรู้ว่าฝ่ายนั้นเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ที่สามีพร่ำรำพันถึงแต่พันยาเก่าท่านครับผมอยากตายตามแม่สะอิงจะได้ไปเกิดด้วยกันอีกทำไมผมไม่ตายตายไปเสียนอนทรมานทรกรรมอยู่อย่างนี้ลำบากลูกหลานเปล่าๆนี่ถ้าผมไม่เคยบทเรียนมาคงจะฆ่าตัวตายไปนานแล้วไม่กล้าทำ เพราะกลัวจะต้องไปตกนรกทำอย่างนั้นไม่ได้นายโยมคืนทำมีหวังตกนรกแน่ขนาดเป็นพระก็ยังต้องตกนรกเพราะฆ่าตัวตายท่านหมายถึงสมพานมดวัดกลางพรมนครที่ตะปะแหลงห้วยเอ่อยอ้างถึงว่าท่านผูกคอตาย ก็บลาะ อ, อย่างนี้แหละครับที่ทำให้ผมไม่กล้าถ้าไปตกนรกก็จะไม่เจอกับแม่สะอิงผมก็เลยต้องสั่งกรตายอยู่ไปวันวันรู้สึกอะไรอะไรมันอึดอัดขัดข้องไปหมดคำพูดของบุรุษวัยแปสิบทำให้ท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะจิตตกนับเป็นเรื่องอันตารายมากด้วยว่าถ้าเกิดเขาตาย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 ในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงถือเป็นพุทธกิจในอันที่จะอนุเคราะห์แก่เหล่าเวนยนิกรเป็นต้นว่าครั้งหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ณนะเมืองราชคฤึกหลังจากทรงตรวจโลกเมื่อเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นนางจันทาลีจะจุติในวันนั้นและอากุศลกรรมของนางจากนำไปอุบัติในนรก เวลาเช้าเมื่อออกบินทบาทจึงเสด็จไปโปรดและยังจิตของนางให้ตั้งอยู่ในกุศลเมื่อพระพุทธองค์คล้อยหลังไปได้สักครู่นางก็ถูกวัวบ้าขิดถึงแก่ความตายและได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงโยมรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังจิตตก อันตรายมากนะถ้าไม่รีบแก้ไขท่านอนุเคราะห์ด้วยการให้สติได้ยินดังนั้นบุรุษวัย80สเกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาในทันทีอาศัยที่เคยบทเรียนมาแล้วถึงสองครั้งจึงรู้และเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแล้วผมจะแก่ยังไงครับท่านช่วยแนะนำผมด้วยผมอย่างไม่อยาก คนที่บอกว่าอยากตายเกิดเปลี่ยนใจในบัดดลโยมเคยบวชมาแล้วสองครั้งลองนึกดูสิว่าจะแก้อย่างไรถ้านึกไม่ออกอาตมาจึงค่อยบอกผมนึกไม่ออกหรอกกลับท่านช่วยบอกผมหน่อยเถึดครับเข้าขอร้อง โยมเคยปฏิบัติวิปัสสนามาไม่ใช่หรือเอาวิปัสสนามาแก้สิพยายามกำหนดรู้ปัจจุบันมันเจ็บมันปวดก็กาหนดเจ็บเนาะปวดเนาะไปตามที่เป็นจริงถ้าเบื่อหรืออึดอัดก็กาหนดเบื่อเนาะหรืออึดอัดเนาะรู้สึกอย่างไร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 ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถึงแม้เสออิงยังอยู่เข้าก็ช่วยพ่อม่ได้นั่นประไล่ล่ะโยมเริ่มจะเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วความจริงที่ว่าอัตตาหิอั ต, ตโนนาโทโกหินาโทปโรสิยา ตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เอาละอาตมาไม่ห่วงโยมแล้วทีนี้ก็จะขอพูดทุระกับโยมทุระอะไรครับท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้ผมยินดีเพราะอย่างน้อย ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่มาให้สติแก่ผมไม่เช่นนั้นผมคงจิตตกกระทั่งตายจากโลกนี้ไปผมถือว่าท่านมีพระคุณอย่างสูงเออขอประทานโทษที่ให้ท่านยืนพูดมาตั้งนานมิ่งไปหาเก้าอี้มห้ท่านนั่งสิให้ท่านยืนอยู่นานแล้วนายมิ่งเพิ่งจะนึกได้ จึงไปยกเก้าอี้ไม้สักมาให้ท่านนั่งและยกมาให้ฝรั่งกับเด็กที่มากับท่านด้วยนั่งลงแล้วท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าอาตมาพาชาวต่างประเทศมาด้วยเขาจะมาทำวิจัยเรื่องการระลึกชาติส่วนเด็กคนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนกับอาตมาเมื่อชาติที่แล้ว เข้ามาหาอาตมาที่วัดแล้วก็เล่าเรื่องตั้งแต่ครั้งอดีตให้ฟังนายวิโก้กับเด็กชายยกมือไหว้บุรุษช า, าอีกครั้งหลังจากที่ไหว้ตอนเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งยังมีคนที่ระลึกชาติได้อีกหรือครับผมนึกว่ามีแต่แม่เสีอิ่งคนเดียวนายปุ่นรู้สึกแปลกใจ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 ก็ไปเกิดเป็นลูกขอทานอายุสิบสีมาเจอบ้านตัวเองเลยระลึกชาติได้ถ้าไม่มาเห็นบ้านตัวเองก็ยังระลึกไม่ได้หรือครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นอันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจต้องถามดรอกเตอร์กฤษโยมดอกเตอร์ระลึกชาติได้ตอนไหน ท่านถามเด็กชายเนื่องจากเขามีสองภาคบางครั้งท่านก็เรียกเขาว่าหนูและบางครั้งก็เรียกว่าโยมด็อกเตอร์สำหรับผมผมระลึกชาติได้ตั้งแต่เมื่อตอนเป็นเด็กทารกนอนอยู่ในโรงพยาบาลครับเด็กชายตอบแล้วไม่สะอิ่งระลึกชาติได้ตอนไหนครับนายวิโก้ถามนายปุ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลอ๋อ พูดไทยได้ด้วยหรือผมนึกว่าต้องให้ทันช่วยแปลให้ฟังพูดไทยได้อย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องคนเป็นอมภาษว่าหน้าแปลกที่เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้เช่นวันก่อนๆ น, นับแต่แม่เซิยงจากไปเป็นครั้งที่สองเขามีความรู้สึกว่าชีวิตไรยค่าต้องสังกตาอยู่ไปวันๆ เพิ่งจะมีวันนี้ที่รู้สึกถึงค่าของชีวิตทั้ทงนี้ทั้งนั้นต้องยกความดีให้ท่านสมภารวัดป่ามะม่วงถ้าให้อาตมาแปลรับรองงานนี้ไม่เสร็จพูดแล้วจะหาว่าคุยอาตมาน่ะเคยเรียนภาษาต่างประเทศนะด็อกเตอร์กริเป็นพยานได้เรียนแล้ว แล้วก็คืนครูเข้าไปหมดแล้วจึงพูดไม่ได้แล้วก็ฟังไม่ออกแต่ก็พอเดาได้ท่านพูดยิ้มยิ้มแต่งานนี้ไม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้ครับผมจะรวบรวมข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วค่อยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษในภายหลังทำไมไม่แปลเป็นภาษาเดนมาร์กล่ะครับเด็กชายวัยแดขวบถาม ผมต้องการให้คนประเทศอื่นได้อ่านด้วยถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กคนที่อ่านก็จํากัดอยู่เฉพาะประเทศเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคนอ่านได้ทั่วโลกนายวิกโก้ตอบถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกภาษาหนึ่งได้ไหมครับคนทวีปอเมริกาใต้จะได้อ่านด้วยยินดีครับผมไม่สงวนลิขสิทธ์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 เหมือนพระอานุ์นายวิกโก้ต่อให้อีกแต่พอมคงไม่อยากอายุยืนเท่าพระอานุ์หรอกครับเกรงใจลูกหลานเขานี่ก็อยู่มามากกว่าพระพุทธเจ้าหลายเดือนแล้วนายปุ่นว่าท่านพระครูมองหน้าบุรุษวัยแปดสิบและรู้ว่าเขาจะละโลกนี้ไปในอีกสองวันพระนายวิกโก้ช่างโชคดี ที่มาทันได้ข้อมูลจากเขา